บทวันสวัสดิ์ค่ะ 9 ก.พ. 2556 กันมาอย่างเต็มที่นะคะมา 2556 ในเร็ววันนี้แต่ถ้าจะให้ใกล้ที่สุดนี้วันนี้แต่ถ้า ของพระองค์ท่านนั้นเป็นปะยางที่งดงามแล้วก็สมกับความจงรักภักดีสมกับที่เราอยากจะตอบแทนกับพระองค์ เราเน้นว่าเป็นท้อยคําอันเป็นอมตะอย่างยิ่งเพราะเป็นคําของพระศาสดาของเราที่ได้รับการถ่ายทอดและอุดรธานีซึ่งท่านจะมาก็ จะถามท่านอาจารย์นะคะว่าอากาศที่อุดรถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเย็นลงมั้ยคะโอ้อากาศเย็น สำหรับดิฉันเองขออนุญาตนะคะในการที่จะทําให้เราใช่ๆเอ่อ ค่ะก็เป็นการที่จะได้ให้ท่านทั้งหลายที่ลงทะเบียนจะไปปฏิบัติธรรมแล้วได้เตรียมตัวส่วนคนที่อยากจะรู้เออที่อื่น จากบรรยากาศนั้นมาสู่ความร่มเย็นเป็นสุขจากธรรมะกันสักหน่อยๆแต่ทําไมเรื่องมันน่ากลัว 20 กว่า เรียนมหาวิทยาลัยแล้วแต่ว่าเห็นญาติบอกว่าเสียเงินไปล้านๆเค้าเรียน อ่าก็จะกราบเรียนถามท่านเพื่อเอาธรรมะค่ะท่านคะเอ่ออ่ะพูดถึง นะเละหมดแต่ว่าแป๊บมันก็หายไปนะไอ้โตช่วงที่มันระเบิดอยู่มันแค่ไม่กี่วินาทีตรงนั้นเหมือนกันเอ่อในกรณีนี้ก็คิด เอ่อท่านอาจารย์ดามาผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรบ้างผลคือโทษที่เกิดขึ้นนะฆ่าคนเช่นยุงมด เราก็เลยฆ่ามันเอ่อคือการฆ่ายังไงก็ไม่ดีเช่นเสือมันก็ นะฆ่าพรานโอ้โหด่างมากๆเลยด่างจนกระทั่งคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขได้หรือฆ่ามารดาบิดานะเป็นความด่างที่ทะลุขาดนรกอเวจีมหานรกก่อนนะบวชก็บวชไม่ได้นะมัน มีโทษมากเกิดแล้วมันรุนแรงใช่มั้ยคะนี้สมมุติคลายแล้วเพื่อเค้าเรียกอะไรเค้าอุทิศส่วนกุศลหรือว่าเป็นการที่ไม่อืมๆๆก็ทําไม่ได้เหรออืมบุคคล นะเช่นข้าพ่อข้าแม่อ่าข้าพระอหันต์ทําสงให้แตกกันทําพระพุทธเจ้านะบุคคลที่เคย คือคุณจะต้องไม่ฆ่าพ่อไม่ฆ่าแม่เมื่อก่อน 2 นั่นได้อ๋อคืออันนี้เป็นคุณสมบัติที่<ะ> คุณไม่ได้ทําอนันตริยกรรมมาแล้วจนไปถึงวันที่จะบวชเนี่ยเขาโรคพวกพวกนี้มั้ยอย่างเงี้ยถามย้ําอีกทีนึงคอนเฟิร์มอีกทีใช่พวก แล้วก็กรรมเกิดขึ้นละนะเนี่ยก็ๆอ่ะนะค่ะแต่ณวินาทีนั้นเนี่ยเอ่อเจตนาที่ทําไป แบบพลิกผันอาจจะเป็นลักษณะว่าเออไปแม่มาแย่งปืนไม่ให้แม่มาแล้วนะก็กรรมเกิดขึ้นละนะกรรมเกิด นะผลที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นคือกรรมเนี่ยมันมี 3 ระดับนะเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นทันทีในต้อง แล้วค่ะอือก็ท่านคะพูดถึงโทษสมมุติค่า 1 ดิฉันเนี่ยจําได้ 1 ทําไม่บ่อยทําไม่นานจะอายุสั้นหรือเป็นโรคขี้โรคใช่มั้ย อันนี้เป็นลักษณะกรรมหนักเค้าเรียกว่าคุรุกรรมเลยไปเลยบ่อยทํานานเนี่ยคือคือไม่ว่าคุณจะอายุสั้นนี่บ่อยทํานานแต่ผลอย่างเบาเนี่ยจะเป็นอายุสั้นผลอย่าง พอฆ่าแล้วก็แน่นอนนะคะนี่ก็กลัวกระซุกศพเอาไว้ใต้อืมแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดี นะแต่ถ้าค่ะอืมก็คงนะคะมันเป็นนะตังกาทีนี้ดิฉันสงสัย สมมุติว่าสมมุติว่านะคะเราเห็นใครเค้าเย้าๆกําลังตีกันกําลังทะเลาะ มีสมาธิฐิแต่ถ้าถ้าเราคิดว่าพยาบาทฝ่ายนี้แล้วก็ๆก็เอ่อจะทําให้แตก <คะ. S 1> ออกไปนรกทางเดียวกันเหมือนกันใช่กับพวกฆ่าเลยอ่าอย่างพวกที่พูดออกเอ่อพูดยุยงให้เนี่ยจะออกทีวีไม่ออกทีวีค่ะทีนี้เรา เป็นวันเฉลิมพระชนพันษาพระบาทสมเด็จพระๆคนด้วยคือมีทั้งเปเป 2 เป นะเรารักษาวงแห่งวงสกุลเราเอาไว้ในที่นี้นะ นะ, นะ, นะ, 3 ก็คือว่า แล้วแล้วถ้าเผื่อว่าบรรดาบิดาของเราเนี่ยเอ่อล่วงลับไปแล้วค่ะให้รักษาสกุล และถ้าจะตอบแทนบุญคุณให้หมดเลยเค้าว่าบุญน่ะมีค่ะนะคะก็เรียกว่าเอ๊ะเรา อ่าขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะที่ได้กรุณา เดือนนี้กำลังจะมาถึงแล้วคุณต้อง